เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสนาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย่บางทีอาจจะอยู่เป็นสามสิบนาทีจึงออกมาบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงบางทีอาจจะมากกว่านั้นเป็นวันเป็นคืนเลยก็ได้ถ้าอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังมากออกมาก็อามาพิ จ, จารณาเป็นวิปัสนา ที่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทําได้ทํามันยังทําไม่ได้ก็ทํามันไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่าใจร้อนอย่ารีบแล้วก็อย่าน้อยใจว่าไม่มีบุญไม่มีวาตนามีแล้วบุญมีสมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมบุญเก่าเรามีกุลานั้นจะบุญยังเรามีบุญเก่าแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มบุญใหม่ นวันจะอุ่นยังอุปจิตตังเพิ่มบุญใหม่เข้าไปในจิตอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่มีบุญแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปอยากหอดไว้แหกข้านอยากหอดน้านเพิ่นใหเลนยิ่งกัดเคี้ยวกัดฟันตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะให้เห็นทาบรรลุทายิ่งไม่เห็นยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบจิตนี้ คือการกังวลกับคั้วอยากให้มันอยู่แห้งไปกลุ่มดึงเข้ามันทกมันแห้งดิ่มนั่งคอยจับเสือกุเฟียปลายลูบหลังเกาหัวก่อนเกลือมันหูตกต้อซ้อนั่นมันสงบจกหั่มันเนื่องห่างเธอเลอสงบบัดเอาไปแอบเสถไถ่ใดจิตนี้ก็เหมือนกันอยาพึ่งไปกลุมอย่าพึ่งไปปั้มมันหนามันคิดตกหลอกแจกแหล่ปล่อยมันไปแต่รู้มันไว้ก่อนจังน่อยมันกระเอยเป็นอยู่ดอง เวลามันสิสงบมันบอบอกเข้ามึงดิคือกันก็บัตรมันคิดเนี่ยมันบอกบอกไม่ให่ข่อยสิไปหันก็เดือมันวาจีบอก่อยสีคืดเจ้าเจ้ายูนีิเออรมันวายจีบอกมันบว่ารจ้าเถื่อมันคือจอกหลอกแจ๊กเป้บาดมันส <durability. S 1> er. ิสงบมันบอบอกคือกันคือกันก็บัตรเข้าสินนั่รับมันบอกอยู่บอกรับเนาะไม่ไงมันบวารเซ้าคืดอันนั้นอันนี้เถอะเนาะรับมันวาจีบอกบ่อาเมื่อเจ้าคนในนางสลับอยู่ในวาเจ้าของหลับ ขนาดนั่งดูลับยังบอกเหมืองนอกลงมาเนีสิมันก็ บ, บอกเพราะเห็นนั้นความสงบจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับการนอนหลับนั่นเลยนัยน่งเหงามันบอกอยู่ว่าคือกันทําไปเรื่อยๆอย่าไปปาถนามันมันจะเกิดข้องมันขึ้นมาเองเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพอดีพอดีตั้งใจมากก็ไม่ได้ทําเล่นๆมากก็ไม่ได้เหมือนจับนกตัวน้อยๆจับแห้งตายสม ดับคอยเพื่อลดมือบาดเนี่ยเพราะนั้นต้องเห็พุพอดีพอดีพอใหญ่ไม่หญ่ของโมนีบวหานจะไปเฮียนมีควอมืออย่งหลายดอกคนสมัยพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือบดุดรพ่อตกไม่ใไ่อายุลอยเศ้าเป็นพระอรหันต์เบาอึดนางพระหกปุตติกาเทลีอายุลอยเศ้าลูกไรหนีปันมุ่นเห็เขาแลาาาาา่าไปอยู่น้ำให้ดอกอยไรหายไข่ดำเท่านี้ปานหายไข่สามพูดมาอยู่โดยน้ำไข่อยก็ไปอยู่น้าอีนั่นแน่ ก็ไปหาบักหน่นแนแ่ว่นเหล่าเมื่อกินได้น้ําเผาเขาจมเล่ากับป้ายหาหลูกใหม่ไปจังน่อยเขาก็จมอีกเอาไปหาพวกใหม่ลูกเล่าหลายลูกต่างเศร้าหยอกจมไปจมมาหลายไปวัดนาไปไปปวดไปบวชกับนางภิกษุณีหนุ่มๆไม่มีทิฏฐิมานะเขาบอกให้เฮ็ดยังกงเฮ็ดย่ า, เามเฮ็ดแล้วก็ทำข้อมเพี้รนนางสมาที่เล้วเล่ากับเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็เดินบุดนดนไดีเล่าเถาเล่าเซ่ ลุกขึ้นเฟี้ยกกเสาเดินจนกลมอ้อมกบเผาหลบไปโลบมามันรูดทำอย่างนั้นกกเสาหันเป็นพอละหันอยู่หันพราหนั่นบววาเขาบวาหนุมบววะแก่บววะยิ่งบววะไส้บววะผะบววาไม่ออกพอออกจิตอันนี้เวลามันสงบแล้ยมันบววามันเป็นผะเด้มันบววะมันเป็นแม่ขาวพอขาวเด้บวมีธรรมหยุดบวมีมหาหนีไกลที มันเป็นสภาพธรรมดาธรรมชาติ <c oughs> ดูในตัวมันพอเห็นนั้นเราทั้งหลายอย่าคิดว่าโอ้ยบริบวดมันสิเข้าถึงบ่พระพุทธเจ้าว่าบ่าแปลกกันอุบาสก อ, อุบาสิกาบรรลุธรรมในวันนี้ไม่แปลกกันกับพระ อ, อรหันต์ร้อยพันสามาแล้วเรากล่าวว่าไม่แตกต่างกันเลยท่านว่าอย่างนี้พอเห็นนั้นพวกเรากับพรกันทาเ้อคอยเหตุคอยสางคอยอดคอยทน ยังไดยังไดกะยาสุเผาหย่านพญามารมุนสลายให้เก่าอดเก่าเนื่อนยังเสด็ตอนค่าเพื่อเนื้อตกไต่เบ็ดแห้งพ่อดีทาผ่าโบเข่าฟันเจิมไวยเต้ไก่ห้องโบได้บวชเป็นเมียไม่ยิ่งกับมาเจิมเอาเทลซีมือหามือฟันเจิมไวยแต้ไก่พันว่าพวกบุญพวกบารมีนี่สร้างเอา ไม่ได้ไปเรียนเอาในหนังสือหันจึงกล่าวว่าสมพานส่างบาลามีเป็นเอกศาสตะเพทเพียงอาคมกาบบวกรงบุญพวกที่เรียนจบประโยคเก้าอาสุสูไม่ไนบดายอีอยงั่งกรไไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการความรู้มากแห้งหูหลายแหง้งแห้งนกักแห้งสงสัยคนโบราณพยัญว่าตาดีไปของส่างสามวันมาเปา ตาบอดไปของสา่งบ่พ่อมือพผักีมากยังคือสีของได้ไหวแถวพวกตาบอดตาดีซะมาบ่ไรหนี่ซุ่มบ่ได้บวชเจักเถื่อนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนี่สงบไว้กว่าควาปวดโดนๆเนี่ยสงบไว้กว่าพอญายทิตพอญาจารย์เพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นเพิ่นตาดีนั่งไปจังน้อยห่วยปฐมมาช้านบ่เหอเพิ่นบ้ามันสีบุบบุบ่าป่าแน่ยเพิ่นขึ้นจะรอกแกแหลกเพิ่นจื้อม่าในหนังสือ สุโ ม, มนีพอเจอย่งบุหงจักมาแต่เขาไปซื้อหนี่เด้อไม่ใไงเราหลุดบูไปหลอดโบบายอาอาไปซื้อนี่หอดหลอดเมืองอุบลมาถึงเราบุบูไปซุ่มคนพกแผนทีมาออกจากบ้านค้ามไงเลี้ยวขวาผัานบา่าไปบา้านดั้มผ้าผันบา่าไปหอนทางโคง้งมีต้นไห้มีซาลาน้อยถ้าเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญเลี้ยวซ้ายไปเมืองอบุบลไปหอนมีปั้มน้ำ ม, มัน่น ยางไปผออนแผ่นที่มากลางสเราปั่มพระไสเราต้นยางหนอบ้านนำผาอยู่ยานใ ด, ด้บ่หอดเดี๋คือเอาใบม่านหลงตืมว่าวจ้งยังนี้ซื้อนี่เดินไปไงไปทันเมื่ออุบลไปหลดเล่าก็ บ, บู้เขาเล่าไปแล้วบู้เดียวเราไปหอดสุ่มเนีุ่มเนี้ยอาจจะหลงเลิดไปผนก็ไดอำเภอมวงผุนได นั่นคนโบราณที่บอกว่าตาดีไปของสั่งสามวันมา่เป๋าตาบอดไปของสร้างบ่พ่อเหมืองประคีมาหลวงปู่ชาท่านบอกท่านเจ้าคุณมงคนท่านอาจารย์มหาอามอเอาหนังสือเจ้าเอามหาเจ้าไว้ซะก่อนนี่หรออาจารย์ฝันอาจารย์หมัน่นพนบอกมหาบัวอาจารย์หลวงพ่อมหาบัวเอามหาของคุณเอาหนังสือของคุณไว้ในตู้ก่อนเนะมันคนละอันกันกันกบซุมนัน้น พอเห็นนั่นพอไงพอไม่ไงบอได้บวชได้เฮ yeah, ี้ยนนี่ยาสุคือว่ามันสิญยากเพียงได้ห้าองตองสางบาลมีขันตีก็ะตองอดตตองทนคั้มผักเพียนกระตองผักตองเพียนบะเมีนถือพญามันหิเงจักหน่อยเนี่ยโอ้ยตายครับวันนี้ตายซ้ำเ่าะซะนออยู่บ้านครับยัยเสงบะเมีนเด้่ยตายมานนี่หลายแสนเถื่อหล่กเถื่อนี่ก็สิตายอยู่คือกันเนาะไี่เน่อดเอา เพอเหตุ น, นั้นการจเจริญสมาธิภาวนาการสร้างบุญญาบาลมีนี้จะต้องอาศัยความอดทนความภาพเพียรพยายามตั้งอธิฐานะบาลมีอธิยิ่งฐานะตั้งลงอย่างยิ่งในจิตในใจสาธุเออโผขานี้พัชตั้งเกวโรดเป็นยังไรก็ให้เพิ่นเป็นขันวายจนสิบประกาศสองข้ามกอมันคือพระพุทธเจ้าที่เพิ่นถือหาแปดกรรมไปปู ใหมันเลือแต่หนังกับกระโดกกองเอี่ยงอยู่นี่กับยาพระสันเลือดเบิดไปเนื้อเบิดไปคันโบเข่าใจถ้า ม, มาบบบรรุสิบรุกใหนมันตายเน่าอยู่เหงาโพวกนี้ปานนั่นได้มหาบุรุษได้เข้ากับคือกันสิเลิกขำห ม, มากเนี่ยคือกันเนี่ันใส่อธิษฐานนะบารมีเนี่ยโอ้ยสบายปานหนังโยนทวนถลวนเมืองมาเข่าปากกูกูบ่กเขียวอีกว่าทัศน ถ้ทาทุเดอร์ขันมึงวืวูเขามากกูจะสัญญมตุ๋ยตมั น, นสั่นทวนหลอดบานเนี่ยมันสิวอมาเอกอยู่บอกขัน บ, บวไป <lle 'm S 1> <laughs> เอามัานกันมานอันนี้พรนเดินว่าอธิฐานบาลมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานอุปปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปาลมัทธาปาลมีสามปันโนยติปิโสภควาเดี๋ยขี่เขาฟังอยู่เรื่อยงามเอาบุญเพื่นเพิ่นโบเป้บันฟัง มหาชนกเฮือแตกก็อธิฐานถ้าคุณงามความดีไม่มีพร้อมก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีถ้าคุณงามความดีผู้ขามีอยู่แต่ย่าให้ผู้ขาตายผู้ขาาเสด้ทำคุณงามความดีต่อไปขันมัณฑดีตายสาเล่าปรตจายล้อยขวมได้ทะเลซุ่มอ่อนซุ่มว่อนไต้เบิดอันนี้คือการทางออกอันสุดท้าย ของชาวพุทธผู้ยังเป็นกัลยาณ์นปุถุชนเข้าจอมาสู่พร ม, มจันแต่ยังไม่อย่างลงมั่นก็คืออธิฐานแต่เ้งังอธิฐานโบเลออนวอนเลยเทวดาฟาดินอธิฐานนี่เป็นอย่างนี้ต้องอธิฐานตั้งใจไว้มั่นอย่างมั่นคงสีเลิอกอธิฐานอาดามาในสูบยาเมือละสามซองกินเหลานุ้่ยขวดละเจ็ดแปดพันก็ซื้อกิน เหล่าเมืองหนอกสูบซ่าเนี่ยเขาหันมาเนี่สวดเคี่ยงผลเขาด่าบักฮาเนี่ยเขาว่าซอยมาาทวดได้สูบเบิ้มันสูบร้ายกว่ามูไม่ใช่เลิกอธิษฐานคือว่าผููขาเลิกสูบเลิกกินขันคืนไปกินอีกให้มันตายหลดขันสิล่มแดงตายหย่อนบอได้สูบบอดได้กินเนี่ยให้มันตายซะเลิกในมือนึ่งจนห่อนมือนี่งจนบ่ฝันไปหามันอีกเจ๊เถอ มันเลือกได้ยังดิยาคะเข้าไปบวกกับอธิษฐานะเข้าไปวันนีอะไรจะสิเกิดคว่วมแข่งแก่งทางจริยธรรมปีก้าขาแขนพ่อสิบอกโบยบินไปน้ำทางแห่งพระอริยาเจา้าน้ำหลังพระพุทธเจา้าน้ำหลังพระสงฆ์พระอรหันต์ฝันทั้งหลายใดมันต้องมีครบป้งจรนบาลมีสุมนีแต่บางคนก็มีประวัติที่น่าขมขื่น คิดไปก็ค้มคืนถึงความหลังแต่ในปัจจุบันนี้ท่านหลดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทุกคนนั้นไม่ใช่ว่าจะดีมาตลอดบางคนเป็นโจรเป็นมารบางคนเคยฆ่าแม้ ก, กับทั้งลูกกับทัครวของตนเองแต่สุดท้ายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบวชในศาสนาบรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์มันมีความพิเศษในาศาสนาพุทธนี่ พิเศษว่าศาสนาอื่นใดตรงที่ตัดกรรมตัดเวรได้ฟังให้ดีนะภาษาบาลีว่าสพกรรมัคขยังปโตกระทาให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นพิธีนะอย่าเข้าใจว่ามีพิธีตัดกรรมตัดเวตรต้องเสียค่าครูค่าคายเท่านั้นบาทเท่านี้บาท ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เสียสักบาทแต่จะต้องตัดเองประพฤติปฏิบัติทรรมเพื่อปล่อยวางทั้งบาปทั้งบุญประพฤตธรรมา j a n นี้เพื่อละบุญและบาปบุญกับบาปนั้นคือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองจะละได้อย่างไรเราก็ต้องมาดูกันต่อไปเดีย๋ยวนี้เราเตรียมตัวเพื่อจะตัดกรรมตัดเวทมาปฏิบัติธรรมนี้ สมาธิภาวนากรร ม, มฐานทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายตรงที่จะไปตัดกรรมตัดเวรสัพภกรรมมัคคยังปัตโตกระทาให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ตัดกรรมตัดเวรหมดสิ้นแล้วเป็นผู้สิ้นกรรมสิ้นเวรพวกเราทั้งหลายยังมีกรรมยังมีเวรก็พยายามตัดให้มันเบาไปบางไป เราจะเห็นอยู่ดอกกัมเวรมันจะเสนอหน้ามานี่วันนี้เป็นวันที่สองที่สามเข้ามาแล้วนี่ทำความเทียนมาตอนนี้จะเห็นกรรมเห็นเวรมากขึ้นแหละมหาบุญสิเห็นบุญมหาบาปสิเห็นบาปนั่งสมาธิไปจะน้อยน้ําตาไหลหันติ ง, งความเกา่าความหลังบาปนํากําไหลว่ามันลื่อ ม, มืมันจะพอบอกเผยแผ่ขึ้นมาอีก จูด่เนี่ยบดีเจ้าของเห็ดจังใดกับพอกับเมเคยเห็ดจังใดมากกับหัวกับเมียเคยเห็ดจังใดมากในเสียงบดีบอก ง, งามมันเง ม, มันสิรืมได้กําเบนจมนี่ยมันจะพอขึ้นมาให้เราเห็นเราจะตัดมันได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะคมกล้าพอที่จะตัด สัญญาเหล่านี้ได้เมื่อนั่นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเองเศร้ามองขึ้นมาเองบุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เฮาเหต ด, ดีหน้ามาในอดีตเราเข้าใจว่าเราลืมแต่บัดนี้มันไม่ลืมนะมันจะโผล่ขึ้นมาเคยทําอะไรดีๆก็จะโผล่ขึ้นมาให้ประทับใจอีกดีใจจนขนลุกขนพอง นึดถึงกรรมบาปกรรมชั่วขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนึกเสียใจจนน้ำตาไหลบางทีมันแสดงให้เห็นเรื่องกรรมนี่ไม่ใช่เพียงแต่นึกเห็นนะบางทียังนึกไม่เห็นแต่แสดงออกทางกายรังเทือนั่งอยู่เมื่อยหอบลหลังเทือนหยางอยู่หัวเข่าอ่อนย่อเตลนไปว่ไไรเลย การแสดงปรากฏการณ์ของก ร, รมอันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติในตัวมันย่างจมกลมไปหัวเขาอ่อนอย่อใน ล, ล่องหนล่องคานลุกไปวะไรมัดแหงเดนเต่อภาพเอาไม่ค้ำเกียนตีหัวเขางวงกับปรากฏเหินมันงานสาเอาแสตีนกับโบจ็ต ไม่คำเกีย่ยนย้อนลงไปทั้งแตพ้นฟาดหัวเขาเพราะมันหมกลงปเลยมันไปบ่อยสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาสู่ตัวเราความรู้สึกทางกายก่อนแล้วก็สะท้อนสู่ทางจิตแล้วลึกได้เมื่อคิดใดขึ้นมานี่ก็รบแผ่บุญแผ่อุศลคุณง่มความดีที่เห็ุมาทางเบิ้งนเนี่ยถมคุ้นให้ คงเงีน้ำสัวใส่กำใส่เว้นกันไม่ดีก็ดีบริกินยาพ่อมิดดีที่ว่าเป็นอย่างไงจังเสียก็เป็นถ้าสติสัมปชัญญะพอตัดดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอามันเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของสัญญาขันไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่ประจักษ์แจ้ง จึงเรียกว่าปัจจุปันนันจะโยธรรมมังตัถฐวิปัสสติเห็นธรรมอันเกิดขึ้นปัจจุบันเฉพาะหน้าเ<ะ>ตือนอดีตก็ดีอนาคตก็ตามที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะ น, นี้ปล่อยวางไม่เอานั่นแหละจะเป็นไปเพื่อการตัดกรรมตัดเวรเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งทางใจ ได้สักแต่ว่ารู้แจ้งวิญญาเตวิญญาตมัตต์ตังภวิสติรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งหลังจากนั้นธรรมว่าเอวังสพกรรมัคคยังปตโตโหตินั่นแหละคือการกระทําให้สิ้นกรรมทั้งหลายเมื่อได้เียเง้นพอบาตแต่จะต้องมาฝึกมหัดวันนี้เราก็จะพูดต่อเรื่องเมื่อวานให้มันสมบูรณ์ เมื่อวานขอเท้าความหน่อยเพื่อจะได้เชื่อมต่อกันให้ชัดเจนเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิผลของสมาธิและก็พูดต่อมาถึงการทําสมาธิทีเทว่ะตัณฐานเมื่อวานเราพูดถึงสมาธิจิตพอดีจิตสม่ําเสมอจิตไม่มีส่วนเฟอ้อจิตไม่มีส่วนเกิน ไม่รักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินจิตไม่มีอะไรกัน้นหลังจากนั้นจิตก็เป็นภาวะปกติสงบลลงงับแล้วก็จะเจอพ้นขึ้นมาสี่ประการสองประการแรกเป็นฝ่ายของจิตล้วนๆเป็นพลังของจิตล้วนๆที่มีสมาธิมากคือให้เกิดความโชกทบทวน สองให้เกิดความเป็นผู้มีปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชมีสองอันนี้เกิดมาจากพลังสมาธิรุวนๆทีนี้ต่อมาพลังสมาธิส่งต่อไปโศกการพัฒนาปัญญาเป็นพลังสมาธิกับสติสัมปชัญญะร่วมกันเป็นปัญญาจะก่อให้เกิดผล เป็นผู้มีสติสัมบชัญญะโดยสมบูรณ์คุมกำเนิดความทุกข์ตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นให้น้อยลงให้เบาลงบางลงสั้นลงหุ้มกิเลตันหาให้มันพร้อมลงให้มันจอยลงให้มันตายอันที่สี่ทำให้อาสวะคือ ความเคยชินที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทกโทกลโภะโทสะโมหะซึ่งมีมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับในนี้ให้มันหมดมันสิ้นไปสองอันแรกเป็นเรื่องสมถะสองอันหลังเป็นเรื่องวิปัสนาทั้งสมถะและวิปัสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจ พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรารลังเกียรติอันใดอันหนึ่งแต่ท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวิชาภาคีย์ธรรมทรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้แจ้งทีนี้เมื่อวานเราก็ได้พูดกันต่อมาอีกว่าจะทำอย่างไรก่อนจเจริญสมถะก่อนแล้ววิปัสนาตามหลังบางคนเหมาะอย่างนี้ บางคนเหมาะที่จะเจริญวิปัสนานำหน้าไปสมถะตามหลังบางคนเลือกเองไม่ได้ให้จิตใจมันเลือกเองก็เลยทำไปพร้อมกันเรี ว, ว่าสมถงวิปัสนายุคนันทังภาเวติจเจริญทั้งสมถะวิปัสนาไปพร้อมกันที่นี้จะเจริญอย่างไรเมื่อวานเราก็ได้พูดเกินเกินเอาไว้แล้ว ว่าเจริญสมถะก่ด้วยการเพ่งสติเพ่งจิตลงไปที่อารมณ์อันเดียวอันใดอันหนึง่งโดยมีสนใจหลายอันใช้สติระดมทุ่มเทลงไปเพียงอันหนึ่งอันเดียวรับรู้อันเดีย ว, อ, ยวอันอื่นให้ผ่านไปก่อนไม่เอามาพิจารณาภาษาพระธนเกว่าอารมณูปณิชฌานเพ่งลงไปที่อารมณ์ อย่างเพ่งดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะเพ่งลงไปที่การบริกรรมว่าพุทธโธก็เอาแต่พุทธโธอยู่ตรงนั้นจนมันสงบลมเับจนพุทธโธหยุดพูดหยุดบริกรรมจิตเข้าไปรวมกันเป็นอันเดียวเป็นเอกภาพเป็นดูนิตี้เป็นเอกีภาวะเป็นภาวะอันหนึ่งอันเดียวนลันงจากนั้นมันจะเกิดความสศกละ ไม่ลองเรียกร้องหาความสุขชนิดที่น้ําตาไหลออกมาเย็นแต่ใจเย็นเบาแสงจะเบามีสุขอันล้าลึกชนิดที่เงินเป็นแสนล้านซื้อเอาไม่ได้ตอนนี้คุณงามความดีก็จะหลากไหลออกมาจากจิตจากใจจะมีความรักพ่อรักแม่รักพระพุทธประธรรมประสมรักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนมนุษย์เมตตาธรรม ก็จะหลังไล้ออกมาหลังเลากันออกมาเป็นแกนต่างเป็นที่ตั้งแห่งจริยธรรมคุณงามความดีจะเกิดขึ้นอันนี้คนที่มีความสุขก็ต้องการเอาความสุขแผ่ไปให้ผู้อื่นคนที่มีความทุกข์ก็เอาแต่วความทุกข์ไประบายไปป้ายให้คนอื่นต่อมา จะทําให้มันมีลิ่นมีเดชก็อาศัยอันนี้อันเดียวเหมือนกันคือเพ่งให้มันมีกําลังเจ็บมากๆซึ่งวันนี้เราจะอธิบายกันว่าจะทําอย่างไรตอ่อส่วนเรื่องของกระทําให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูลกระทําให้อาสะวะซึ่งไปตัวนี้เป็นการเพ่งอีกแบบหนึ่งคือตัววิปัสสนากรรมฐานตัวนี้ไม่ใช่เพ่งอารมณ์อันเดียว แต่เพ่งหมดทุกอย่างลักษณะของทุกๆอย่างที่เข้ามาสมัมผัสในจิต <Okay. S 1> ภ า, าษาพระท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานฌ mm hmm. านฌานฌานแปลว่าเพ่งนะคอเข้าใจคอนเซนเทรชัน mm hmm. ภ า, าษาฝรั่งว่ายอย่างนี้คอนเซนเทรสเพ่งลงไป เพ่งให้เกิดสติสัมปชัญญะเพ่งให้รู้เท่าทันแล้วปล่อยวางอันเป็นทางแห่งวิปัสสนานั้นจะต้องเพ่งดูทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาเวทนาวิตตกความคิดในอดีตความรู้สึกในปัจจุบันความปรุงแต่งไปสู่อนาคตรู้จกัก วิปสนาใช้สติสรัรปชัญญะมากทำงานทุกด่านมุ่งเลด่าคอยรับรู้แต่สมาธไม่ใช้สติมากใช้สติกำกับไว้อันใดอันหนึ่งอันเดียวพูกจิตผูกจิตไว้อย่างเดียวพอยังไม่ถึงขั้นที่จะฝึกจิตไปทำงานขัน น, นึงง้อเมอนค่วยเยี่งบ้านในแอบใสไถใสเกียน ขูดใยมันลุ่งเสื่อมเรื่องปอบอให้มันดีนมันเต้นมันแลนตรงนี้แหละจับสนเข้าซะก่อนนี่มันั่งกันทลารเนี่ยาไมสนเข้าเจ้าของมันไปผบไปแหวพอดสนเข้าไว้เพราะนั้นวิธีผูกจิตนี่แหละให้จิตมันโย่ให้มันสงบไม่ให้มันวิ่งว่อนไปกับอารมณ์หายนอก นี่แหละคืออารมณนูปนิชฌานเพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวที่นี่มันก็จะมีปัญหาตรงที่เพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวนี่แหละมีปัญหาคอน FLICT ขัดแย้งกันอายุเงื่อนง่าเหมันหลายปีสเสีนหลากคนที่เคยโยแห่งเดียวก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าใครเป็นนักสแสวงหาไปสัมนักโน้นมาสัมนักนี่ไปสัมนักนั่นสิเกิดเทียงกันไม่ใจดีบ <Okay. S 1> ดีกับแบกสัมหนักไปเทียงกันบาดนี <Okay. S 1> ้เลยเธอเลยอันนั้นบดี body, อันนี้จังเถิด <Okay. S 1> ไปวันหนึ่งควรสื่อสารจังหนึ่ง <Okay. S 1> ไปวันหนึ่งควรสื่อสารจังหนึ่ง <Okay. S 1> พวกเราไม่เข้าใจของงงไม่รู้จะเอาอย่างไร mm hmm. ดีไม่ดีกับผานทะเละเกิดปฏิฆะอยู่ในใจ ไปสำนักหนึ่งบอกว่าให้ว่าพุดโทษผุดโทษเด้อมันยังมเมนอันอื่นใส่อะไรอ้าพุดโทษอันจะเข่าว่าพูดหายจะออกว่าโทษไปอีกบ่นนึ่งผัดบอกเนี่ยไม่บัดนี่สัมมา阿拉หังเนิเพระว่ะเพ่งลงไปเนื้อสะดูอสองนิ้วให้เห็นลูกแก้วดวงกลมใสบริกรรมสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังเอาวิเลว ไปบนหนึ่งผบบอกอีกอย่างหม่บาตรยุบหนาอพองหนอนะพระบอกนี่หันใจเข้าปุ้งของปุ้งขึ้นรอบพองหนอหันจะออกทองเวบยุดหน่อพัาฉันให้ภากเดินซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหน้อยกหนออย่างหนอเหยียบหนอถูกหน้อกดหนอผากไปจังเ็นดีปศาสนาพัดฉัน เทใจในระบาดนี่สืบทียันกันระบาดนี่ไมใจเอาเนี่ยเลยนาะไปอยู่บนนู้ไปเห็นมอญยุสือบานนี่หงยกเมื่อเขามื่ออกงอมเงียบําเงียบคู่ไปไปดีเห็นเดียวคู่ไไลบอดเห็นไลเนียแล้วก็จะเกิดอาการเถียงกันอย่าไปเถียงกันให้เข้าใจว่านั่นคือเทคนิคในการผลจิตคือเหมนกับผูกงผ่้ว ผู้นึง่งผูกเสือกหนังลามข้อมันไหวหนังลี้ผู้นึงมันมีหนังรล้วผูกขามันไหวผู้นึ่งผูกเขาผู้หนึ่งทักเมาเสดังมันผู้นึ่งสนเข้ามาเลยเอาบอนอ่อนออ น, ออ น, นี่ิเข้าสิโฟวันไหนบาดผูกตรงที่มันมีจุดอ่อนๆเห็นง่าย โข้อมันก็แห้งโขเขามันก็เวียนแห้งเสือกเสื้อขาดง่ายที่สุดก็สนเข้ามันดังมันอ่อนมันหันมันดี่แห้งมันก็เจ็บพ่อเห็นนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนแปลกๆแต่นั้นคือเทคนิคในการผูกจิตผูกโตงวดตัวควายแล้วยังไม่พอยังไปหาลักผูกเอกหลังค่อมมันนีต่อไม่แก่หนิมึงถึงอยู่ดี คุณจึงหนึ่ผูกใส่ลักหัวคุณจึงนึ่งว่าผูกใส่ต๊ะไม้ไผ่ผูกใส่ยิ่งก็ไใดว่าแต่ลักนั่นบรุษบอลอนว่าแต่เสือกบกขาดเห็นมันอยู่มันอยู่หลังแต่ใส่มันดีสักะง้องโค้งบังบเห็นบอลหนี่งมาไม่ใหม่เนี่ยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้วันแรกๆดิ้นที่สุดเลยจิต ดิน้นโว้ยจะเป็นดนเด้จะเป็นปวดเต้จะเป็นเจ็บเต้น้นานผ้าเสื้อเต้เมื่อสะบ้อมือมันดิ้นพกุกหยักไว้หันสอนเข้าหกหยักไว้หันคันดิ้นหลายมานในมือนีกับบ่เมือ่อมืออื่นกับบ่เมือ่อให้มันดินด้นอยู่หันจะงงมั้ยสิงยวยเมื่อบ้า น, นอยเส้าดิ้นขึ้นัถนตะมือกับข่ยบอยบ่ฮิต โผล่ไปดิ่นไปดิ่นมาจนเป็นบาดเป็นแผลเสื้อก็บวขาดจักเถื่อหลักกระ บ, บรุดบาดอนจักเถื่อมานีล่นเหนื่อยดิ่นจนขี่แตกขี่แต่หลุนน้อนมืดตาไ ม, ม่แมกเลยพัดเจ้าของเอาหญยาไปให้กินลูกปึ้งปังป้งสีแรงค่าเสือกแลนแห้งคือเกอวได้เจ็บดังหางยื่งย่งยานอยู่เอาหยาบไปให้กินกับทำทานไงโบ ก, กิน เอาหน้าบปให้กินก็เลียวัดูไกเจ้าของหนีสิตายหายาออย่างมดมงหยาล้วก็กินเทากนค่ำหนึง่งสองค่ำสามค่าเขาบานเราก็สาวใสเอาหยาให้กินเอามือลู บ, บายก้นก็ตือนายหวัวลูบมือนี่ลูบมือหม่ลูล้มันลื่นเก่าหัวก่อนเกลือรับตาหมิงหงเห็ดหูตกตับแซบเอามือจอกหั่นเนื้อะเล หรือห่งบาทในเศร้าดิน้นเหมือนกับจิตเมื่อดิ้นแล้วมันก็สงบมานก็จูงบปหาหยาไม่กินนี่จูงไปหากินหยาคนอื่นครั้งแรกก็จูงก่อนร้ายเมื่อเขาเอาให้ไปก่อนมันพัดฮัดพัดทั้งใสยก็เป็นพัดทั้งขัวก็เป็นบาทนี่จันเอาไปแอบใส่ไถตอนฝึกนั้นอยู่ข้างหลัง ตอนถูกนั้นอยู่เบื้องต้นการถูกจิตให้สงบเรียกว่าสมถกรรมฐานลัคนูปนิชฌานเมื่อมันอยู่มันสงบแล้วก็เอามาเพ่งจากอารมณูปนิชฌานแล้วมาเป็นลัคนูปนิชฌานมาเพ่งดูลักษณะลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของความรู้สึกในจิตเรียกว่าเวทนา ตายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหมุนเตี้มาดูกันตรงนี้เพราะเหตุนั่นจะไปเถียงกันเด้อคันผู้ใดโผกก็พูดโทอยู่ก็เอาอันนั้นแหละอันนั้นแล้วดีแล้วคันผูใ้ใดบ่นได้ลมหันใจก็แล่าใจกับผูกอยู่ได้ก็เอาได้ลมถ้าไปเปิดตํานาพระใจปิดดกพระภูรเจ้าบบอกให้ว่าจังไงจะคว่ำดอก คู่บาอาจารย์เพนสอนหลูกสิดปึกปึกหลายเพนไปเรื่อเห่าซอยแนหิว่างงบนาะพ่องเนอให้ว่าพุทธโธนุ่มคือทหารมาเ น, นาะเนาะของเจ้าหอดสายหอดขว้าขวหันเลื้ยไปสายสายหันเลี้ไปขวาเจ้าน้าสลาดกูบอกขวาหันมึงมองมาทั้งแขนผ้าแดงๆนี่เหรอพันทหารปึก เ, เอาขาแดงมัดทั้งแขนข้อขาขาวมัดแขนซ้ายแต่ซ้ายหันมงไปทางเขาวนะฝ่ายหันเราก็เลี้ยวไปทงางท้าทังทั้งขาเขาเข า, ข, าขวาหันเราก็เลี้ยวมาทางขาแดงมันตึกโผดนั่นคว า, ามจริงในศาสนานี้ท่านให้ดูแต่ละหมายจะเข้าจะออกไม่ได้ว่าอะไรแต่เข้ามันตึ๊กคือว่าอาจารย์บอกว่าให้ว่าผู้โทษนะึงเนอให้ว่าหยกหน่อพองน้อเนอ เพินอยากให้ห่อเข่าใจเพาเห็นนั่นไปได้อันใดอันหนึ่งเมื่อวานเป็นพระเวสพวิทย์บานภิบาลดีกร บ, บัตอันนี้จงเมยเมืม่อสัปดาห์นั้นบ่เมนไปหาเทียงกันเศร้าใจะเทียงกันเถาผูกจิตให้มันโยกับที่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ได้เอาอันนั้นแหละแต่ทนี้เราอยากจะพูดต่อไปว่าเมื่อวานเราพูดถึงการ จเจริญสมถะก่อนวิปัสนาตามหลังจเจริญวิปัสนาก่อนสมถะตามหลังจเจริญไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้จะขอพูดถึงการกระทาให้เกิดผลสี่ประการฟังให้ดีในเรื่อเมื่อหอดเมื่อเหตุโยบาทเมืนอเฮือนกระดิทำอย่างไรจะเกิดความสุขเทวาสมาธิภาวนาภาวีตาปะโหรีกตาฏ ทิฏฐธรรมิกะหาสุภหารายะสังวตติจเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากจเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในทิฏฐธรรมในธรรมที่เห็นนี้จเจริญอย่างไรจึงจะพบความสุขจเจริญอย่างไรจึงจะมีฤทธิมีเดชเจริญอย่างไรจึงจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จเจริญอย่างไรจึงจะ ทำอาสวะให้เบาไปบางไปสิ้นไปเอาความสุขซะก่อนขี่ไล่ก็ให้มันได้จักอันซีอันนีสิบร่รย์บอยจักเนีมาดอดมาทนปานในมาถกมายาปานในต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ความสุขก็ให้พบความมหัศจรรย์นในจิตหรือมิฉะนั้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นกว่าเกา่าให้มันเศร้าหลงเศร้าลืมเศร้าปั่มเปอ ทำให้มันควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตได้ดีขึ้นเอาความสุขซะก่อนตัวนี้เป็นตัวที่มีสเสน่ห์มากสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในที่นี้จะขอพูดเฉพาะอนาปานสติคือมันง่ายมันสะดวกมันสบายมันเหมาะกับคนทุกคนค น, คนแก่คนเท่าคนดม่มคนสาวนักบวชชาวบ้าน คนโง่คนฉลาดเหมาะหมดเมื่อกี้พระหันสวดฟังทันหรือไม่อารันยโสตพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะกล่าวทำอันทำให้บรรลุธรรมได้เร็วเธอทั้งหลายจงฟังนาจิรัเสวะอกุ ป, ปังปฏิวิชติจิระแปลว่านานนาจิระอัศะไม่นาน จึงออกเป็นสำนวนว่านจิรเสะวะอากุปังปฏิวิชชติแทนตลอดธทมบรรลุธรรมทัท้งหลายไม่นานเลยว่าไงไงว่าสิเข้าใจดต่ง่ายขนปึกก็หันใจเป็นคนปองก็หันใจเป็นคนงอข้นฉลาดก็หันใจผู้เถาะผู้หนุ่มหันใจพระพุทธเจ้าก็เลยเอาอาณาปานสตินิมาสอนมากที่สุด พระไตรปิฎกมีเกือบคุกเล่มในจำนวนสี่สิบห้าเล่มในพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระพิธรรมก็ดีกล่าวถึงเรื่องการเจริญอาณาปานาสติพระเข้ากันไปมากที่สุดอาน า, านาปานะปานะไปวะหายใจเข้าอาณาแปวาหายใจออกสติไปว่าหูเมืออม่อหูเมื่อจะคล้องหันใจเขาหันใจออก จะทำให้เกิดความสุขามาันจัดการกับลมหายใจนี้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อก่อนท่านยังไม่ตัดสู้ท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยอาณาปานสตินี้แลเนวกายโยกิละมะตินะจขุนิอนุปาทายะจะเวาสเสวิจิตตังวิมุตติกายไม่ลำบาก ไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นเพราะการเจริญอาณาปานสติการเจริญอาณาปานสติไม่ทุกข์ไม่ยากนั่งอยู่ก็หายใจได้ยืนอยู่เดินอยู่กินข้าวอยู่ทําอะไรอยู่ก็หายใจได้ไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานบางอย่างต้องหิ้วไปอย่างพวกกสินต่างๆ ต, ต้องเอาวัดโกไป กรรมฐานที่สร้างการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบับพาณนนิขีข่ขานเศร้าเหตุดูจังเหตุแต่ล่มพันใจนี่ว่ามี่ผู้ใดขี่ขานว่ามีผู้ใดขยัขนมีอยู่ว่ า, า, วาค่อนขานพันใจนั่งสลากเดินหน้มุ่งเนยยกมือให้บังเนยสิบอกให้เศร้าตัดกระโล่งไว้พร้อมไม่มีใครขี้เกียจหายใจไม่มีใครขยัน อยากจะพบความสุขจากการเราอาณาปานสติให้ดีๆแต่อย่าลืมนะก่อนที่จะพบความสุขจะพบความทุกข์ที่สุดทุกข์อยู่ข้างเนื้อความสุขก่กอนที่จะพบความสงบจะต้องพบกับความวุ่นวายที่สุดก่กอนที่จะพบกับความเย็นจะต้องพบกับความร้อนที่สุดเมื่อเราจะเล่อนอาณาปานสติเราอยาพบความสุขไว แยกีขานหันใจเน่าเริ่มต้นโดยการหายใจยาวยาๆเข้าภาษาบาลีว่าทีคําว่าอัสสันโตอัตสาัปสัสมาติปชานติขออภัยผู้ภาษ า, าบาลีนี่มันเป็นหลักฐานเป็นคําพูดพระพุทธเจ้าไม่พูดบังก็ไม่ได้อาตมาในบูชาที่สุดมึงคำพูดพระพุทธเจ้าไม่อยากว่าเอาเอง เธอหายใจเข้ายาวที่คังไปว่ายาวหายใจออกยาวมีความรู้สึกตัวทวถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวอยากพบความสุขเริ่มทำสมาธิอนาปานสติหายใจยาวยาวซะก่อนหายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวยาวหายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวๆว ลองทำอย่างนี้ดูสักถ้เป็นได้ <c oughs> สักสามสิบนาทีนั่งหายใจเข้ายาวออกยาวนีติด ต, ต่อกันไปสักสามสิบนาทีหลังจากนั้นหายใจสั้นลดลงมารัดสังวาอัศสันโตอัศปัสสามิติปชาณาติหายใจเข้าสั้นออกสั้นทำไมต้องมายาวทำไมต้องมาสั้น เพื่อจะเลยรู้จากความพอดีเราจะทําจิตให้พอดีจะต้องทํากายให้พอดีเมื่อหายใจยาวว่าไม่พอดีเป็นทุกข์มากอึดอัดร้อนเหือไห้ไข่หยดขี้ค่าหายใจสั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะอึดอัดจะเป็นทุกข์นี่เริ่มต้นด้วยความทุกข์ทันทีหลังอย่างนั้นขั้นตอนที่สาม สมมติว่าเราหายใจยาวเข้ายาวออกสามสิบนาทีมาหายใจสั้นสามสิบนาทีคือเข้าเซาเนี่ยเขาออกเขาออกสั้นๆทีนี้ขั้นตอนที่สามปล่อยเลยมันจะยาวก็ช่างมันมันจะสั้นก็ช่างมันแต่จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพกายะ ปฏิสังเวทีอัตสปัสาสามีติตอมันซื้อเล่ม เ, เขียวอาณาปานสติสุทธละเอียดจุที่นี้มีควาว่าสิกขติสิกขติเป็ว่าสังเกตอ b s e r v จอบซ่อมเบิ้งขักรู้กายทั้งปวงรูล้ลมทั้งปวง ปล่อยมันอยากสั้นก็สั้นมันอยากยาวก็ยาวแต่จะตามรู้จักมันว่ามันเป็นอย่างไรในช่วงนี้มันจะเพิ่มความความยาวขึ้นจากสั้นมันจะลดความยาวลงสู่ความพอดีตรงนี้จะไม่สั้นตรงนี้จะไม่ยาวปล่อยให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติแต่กาหนดรู้ตามมันไปและจะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งคือ หูจะดังขึ้นร่างกายจะมีอาการดิ้นสิ้นเสม็นเมนเนื่อโตสเสมนเต้นหันดิ้นหนีน่ยุบยับดิ้นยุบยิบนี่จะเป็นอาการให้เรารู้เราก็มารู้จักมันสภก า, ายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงกายทั้งตัวงในที่นี้กายเป็นอย่างไรกายดิ้นตรงไหน แล้วจะมีอาการร้อนบัางเย็นบ้างบางที่คือเอาไฟมาขามไกลๆห่อนวูดเก่อนที่จะเย็นมีท่านจะพบความร้อนฟังเหตุเกิดเด้อไปเหตุจะบานพ่อความซุกหนี่สิเสื้ออาจารย์ต้องหอบอยู่หรอกใน่นี่เสื้อยืดหักบอ่อเสือ้อมันร้เห็นหรนะเสื้อยืดหักบอ่อเสือ้อเล็ก หลังจากนั้นเมื่อเราปล่อยแล้วจะพบว่าหูจะเริ่มดังขึ้นอย่าไปหายามากินเด้นั่งปฏิบัติธรรมเบาๆเทียบไปหาแต่หมอหัวก็สิปวดน้ากันดอยูบางคนอาจจะปวดหัวในช่วงแรกๆ แ, แต่พอปล่อยลมตามสบายการปวดก็จะผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงหูจะเริ่มดังขึ้นมีเสียงดังทางหูซ้าย ต่อมาก็จะดังหางขวาในเนื้อในตัวก็จะดินดินทั้งหนาดินทั้งหลังน้ำขาน้ำแอวน้ำแขงน้ำขาน้ำหัวน้ำหนารู้จากมันมีแจะกำหนดรู้เฉยๆลอมก็จะละเอียดลองละเอียดลงเสียงที่ดังขึ้นก็ค่อยละงับลงเสียงในหูเสียงดังๆแปลกประหลาดเหมือนเสียงน้าตกเหมือนเสียงลมพัด จากยอดเขาเสียงดันสนั่นกึกก้องเสียงการทํางานของตายสังขารเสียงพื้นะมองเคลื่นหัวใจเราได้ยินเองหมดเสียงเหล่านี้เริ่มร่ำนับลงเสียงภายนอกดังมากกว่าเก่าหูดีกว่าเก่าเสียงคนอเอบกกาๆนี่ดังขนาดบันนี่พวกคุยกันโจเจ้เจเจ้มม า, มานั่งสมาธิเป็นตญานบาปเป็นตญาณบาปต่างขาจ וכ อาจจะมานิ่นแบบในดังแต่ถ้าฟังธรรมดามันไม่ดังดอกแต่ถ้าจิตระงับลงระดับหนึ่งเสียงดังมากเสียงข้างนอกคุยกันอยู่ทั้งฝนโต้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยสยยยยยยยยยยยยยยยยยย่ยยยยยยลยยยยยยยยยยยยยัยยยยยงยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยมยยงับลงเสียงข้างยยกยยยยยยยกยยยยย ความละเอียดของสติสัมปชัญญะลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงเสียงข้างนอกดังเมื่อลมมีละเอียดเร่มละเอียดลงจนตัวยังไม่มีลมหายใจความเจ็บปวดรัวๆตามแขงตามขาเนี่ยมัดไปแล้วมีแต่ความตื่นรู้อยู่ภายในลมก็ละเอียดลงเสียงข้างนอกที่ดังๆเริ่มเร่มไม่ได้ยินหูสิดับก็อย่าร้องมันหูดับ นี่เสียงนูซอนขึ้นมาเสียงในเสียงซาวอินาวไม่ใช่สาวอ่อนสาวเสียงในเสียงเสียงใหม่จะดังขึ้นภายในดังแลฟังแล้วทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสความม่วงนี่ชวนกันหนีหน้าไปไหนไม่มีไปวัด นิยมทั้งห้าจะถูกลำเ ง, งับหลงช่วงนี้ความกำหนัดขัดเคืองลังเลส ง, งสัยฟุ้งซ่านลำคานง่นนนวงเหาห้าวนอนหายไปเสียงอันนี้ดังขึ้นเป็นเสียงแห่งความตื่นควา ม, วามเบิกบานแจ่มใสเสียงสติสัมปชัญญะแต่นี่ดังเสียงข้างนอกแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้าลักษณะเช่นนี้มันง่ายที่จะไปสู่วิปัสสนาแต่เราก็ดูมันอยู่อย่างนี้ทนี่บางคนเมือ่อยางนั้น หลังจากเริ่มลมหายใจสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดานี่ดูไปจะเกิดอาการอึดอัดมากมีอาการร้อนมีอาการปวดมีอาการประวนกระวายก็ทนดูนัน่นแหละมีร้อนมากใจเย็นมีแราางสมาธิเวลาห้อนขึ้เอาไฟมาขัางมาอังเนี่ยห่อนน้ำหนาห้อนน้ำแขนน้ำเส้นเลือดยังไง ปวดหนักเราก็ดูอยู่เฉยๆดูลมหายใจละเอียดไปเลยเมื่อความร้อนถึงที่สุดแล้วจะค่อยๆผ่อนลองกลายเป็นเย็นเริ่มเย็นในแขนเย็นตามตัวเย็นเป็นบอลๆซะก่อนหรือบางคนอาจจะเริ่มเย็นในจมูกที่ลมกระทบเย็นมาเป็นปอยเป็นแปลอ่อนลอดขึ้นมาหาขมองหัวจะเริ่มมีอย่างไตยุบหยับยุบหยับเริ่มมีอาการเย็น ตอนที่เย็นมันจะร้อนซะก่อนจะหนักซะก่อนเมื่อความหนักหมดไปจะเบาเมื่อความร้อนหมดไปจะเย็นเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดาเย้นเย็นเขาก็ขับมาในสีติผูตันเป็นผู้เย็นเย็นแสงจะเย็นเหมือนเอาน้ำยาสารเคมีพวก CFC โคลโรฟูร์ฟโลคาร์บอนเหมือนเอาอกาฮ้อมาท่าน้ำโตนเย็น เย็น <Yeah, S 2> จนกัดแข่ากันข้างไว้บริเ็นหลายข้างสันนับได้เอาหามาโป้หัวเ่ราไม่หนาวเย็นตรงนี้หนีหมดเลยนี่วอนห้ามันชวนกันหนีหมดไม่มีเอกนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เย็น yeah, yeah. ความสุขจะเกิดขึ้นแปลกป่าหลาดล้ำลึกมากและจะมีความพอใจ ถ้าเกิดผู้ใดได้พบสภาวะอันเย็นๆอย่างนี้ให้ไว้กับว่าฟังเสื้ออู้เมนคั้วอาจารย์สมบนั่งอยู่ห้องสุดลุกมาขาบขาบฝากเล่นฝากแหลรงพนดูใสนอ้องพนนัง่งอยู่ใสน้องพนนอ น, ยนอยู่ใสน้อหรือพนตายแต่ว่ า, วามันจะขาบไปหาหาบุญหาคนคดหอดน้ำหูน้ำ ต, ตาไหลคนหลกคนพ้องเนี่ยคนบอกไหวมันเมนอีรีดี โมเมนเพิ่นบอกว่าผู้เธเจาะผ่าเบาแล้วก็เห็ดน้ำเพิ่นเข้าเห็ดสานีเข้าก็เห็นสานีกระโหนซเห็ดต่อไปอีกงอมเห็นหลายกว่านี้เนี่เพิ่นว่าความขี้เกียจความท้อถอยในการทําความเพียรหมดสิน้นคัึงคลื่นสลายลงหลังจากนั้นจะเกิดสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแล่นไปตามอนานาจของสัทธาแล่นไปตามอํานาจของธรรม อยากเหตุอยากทำบ่ขี่ขามตักเถือไผซื้อมาจ้างให้ยากับบยาส่วนไปแนวอื่นกับเบเอาในช่วงนี้จิตจะออกจากเพื่อนบ่อยากคุยบ่อยากพอะย่านเสีเวลาย่านเคิกนี่อีกแบบหนึ่งความสุขชนิดนี้จะไม่รู้จดอิ่มเซฟเสเวยหวนูนพ่อเหตุพ่อทำมีเพียงเล็กๆน้อยๆ น, น, นะ มากไปกว่านี้ล้ําเลึกไปกว่านี้อ้อยังมีทําไปเถอะท่านจะพบจะเห็นหรือบางทีมันจะปรากฏภาพทางตาเมื่อลมหายใจจากยาวแล้วมาสั้นจากสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดากําหนดรู้เฉยๆลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะเห็นภาพทางตาเห็นภาพทางตาเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายถ้าใครเคยขี่เครื่องบินนะนะจะรู้สึก คล้ายเครื่องบินตกหลุมอากาศวูบวูบวูบมันตกจากที่สูงลงที่ต่ําภาพที่เห็นไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านตอนนี้พยายามปล่อยลมหายใจทั้งหมดเลยไม่ให้มีลมาหายใจไม่ต้องดูมันแม้มันจะมีก็ไม่ต้องดูไปดูตอนนั้นคือปล่อยวิตกวิตกวิจารคือจิตที่ยกใส่อารมณ์นี้ปล่อยอันนี้ไป ดูตัวเที่มันเห็นมันไหลไปไหลไปไหลไปมันเกิดซ้อนกันตัวนี้ไหลไปแล้วตัวใหม่ก็เกิดมาไหลไปไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นภาพบางคนก็เป็นสีแตดูสิ่งเหล่านี้สร้างมโนภาพทับลงไปมันไหลไปทางซ้ายน้อมไปทางขวาไหลไปทางขวาน้อมไปทางซ้ายจนไม่อยู่กับที่หลังจากนั้นก็ริ่มแผ่สตินี ให้มันใหญ่ให้มันเล็กดึงมันเข้ามาผลักมันออกไปเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ในที่สุดจิตที่เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งวัตถุอันเดียวนั้นจะไปรวมกันลืมตนเองในขณะนั้นเม้แต่หายใจก็ไม่ว่าหายเรือไไปหายมันจะไปรวมหมดตรงนั้นพลึบลงไปจิตก็จะเป็นเอกเป็นเอกเป็นเอก ที่เรียกว่าเอกคตาเอกอัคคะอัคค ะ, ะแปลว่าสูงสุดเป็นยอดแหลมอันเดียวจิตแหลมไปจนเป็นรวมไปอันเดียวตรงนั้นเพิบปลงตรงนั้นตรงนี้ท่านก็จะมีความรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอย่างไม่่อนเงี่ยนกรอนแขนศรัทธาในพระศัตนาการลำลึกนึกถึงบุญคุณบิดามารดาก็จะเกิดขึ้น สิ่งที่เราพบเราเห็นนี้เป็นของที่ประเสริฐมากชีวิตที่มีอยู่เกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่ตายเพราะพ่ อ, พอแม่เลี้ยงมาได้พบเห็นสิ่งที่ประเสริฐ ด, ดีงามนี้ก็เพราะชีวิตอันนี้คิดถึงผู้ให้ชีวิตคิดถึงผู้ที่เลี้ยงชีวิตเร า, ม, ามันจะเป็นเองโดยธรรมชาติความรักพ่อรักแม่ล้นพ้น อยากจะตอบบุญแทนคุณโดยอาศัยสิ่งที่เราพบเราเห็นนี่ทำยังไงท่านจะเห็นด้วยถ้าเป็นผ้าเป็นเนมพ่อแม่อยู่ไหนก็อยากจะไปหาไปบอกไปชวนพ่อแม่กำลังทำบาปทำกรรมน้งตาลูกจะไหลสงสารพ่อแม่อยู่ทํากลางบาปทำกรรมกรรมฝรั่งที่มาอยู่กับอาจานะที่ออสเตรเลีย มาทำสมาที่อยู่ข้าวเดือนที่สี่ที่ห้าเดินร้องไห้ทั้งวันเดินร้องไห้อาตมาก็รู้แต่ไม่ไปคุยพ่อมอแต่แสดงธรรมให้โยมฟังซ่องวันสามวันวันที่สามเห็นอยู่แกเดินหนไปเวียนมาแกอยากมาถามแต่อาตมาก็ไม่ให้โอกาสให้แกร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละพ่อฝรั่งนี่ไม่รักพ่อรักแม่เหมือนคนไทยอยู่แล้ว พ่อแม่ฝรั่งกับลูกฝรั่งนี่หา่างไกลกันมากระบบ Family r e l a t i o n s ีพซิสระบบผูกพันทางครอบครัวของฝรั่งไม่เหมือนเราขอดก็ไปขอดดูโรงพยาบาลเหมือนขอดจากโรงงานแล้วพวกหมอเขาจะเข้าโรงอบค่าเชื้ออะไรจนปลอดภัยดียังมาให้แม่แม่ก็เลี้ยงด้วยน้ำนม วิทยาศาสตร์โตมาหน่อยก็ต่างคนต่างไปเหมือนลูกเป็ดเราจะสอนเรื่องละลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ฝรั่งนี่สายหัวทุกคนเขาบอกว่าเขารับผิดชอบเขาเองพ่อแม่เลี้ยงเอามาเราก็จะต้องเลี้ยงลูกของน้องนุ่นต่อไปแต่พอมาถึงตรงนี้ฝรั่งก็ร้องไห้อาตมาก็ไม่พูดไม่ถามให้แกร้องไห้ของแกตรงนั้นแหละ เดินว่อนไปเวียนมาออกมากระเฉยเทศให้ยมฟังหนะ้นานาษาจบแล้วออกตีตัวหนีไปนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิ น, น้อยๆสมัยก่อนใต้ประภัยวันที่สามกำลังจะขึ้นกุฏิฝรั่งเดินก้าวยงโดง่ดงตามหลังมาอาจานว่าันไม่ไอ trouble of few minutes ผมขออนุญาตลบกวนท่านหน่อยท่านอาจารย์นะว่าอย่างนี้ อาตมาเขาบอกเป็นไรมีอะไรหรือวัตถุเพลินอย่างเกิดอะไรขึ้นเขาก็เช็ดน้ำตารองให้เขาบอกว่าคิดถึงแม่หลือเก็นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผมไม่ได้ร้องไหนะ้น้ำตามันไหลออกมาล u m อินวันไมท์โรสเซตไมทฟิเลงมันเป็นก้อนจุกในคอผมนี่คิดถึงพ่อถึงแม่นี่มันผิดไหมแกว่ายอย่างนี้ มันผิดสมาธิไหมอย่างนี้เรียกว่า distraction หรือไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านหรือไม่แกว่าอย่างนี้อาตมาว่าสาธุอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วจะไปคิดถึงใครในโลกนี้ใครหรือในโลกนี้ที่จะดีกว่าพ่อกวแม่มาถึงตรงนี้แกะ ก, ะก้มลงกับดินนั่นแหละกะ แกบอกว่าไม่เคยคิดถึงแต่ก่อนบัณ น, นี้คิดถึงแม่แม่สูบกัญชาแม่เป็นหมอเปลี่ยนรถเก่งเดินละคันละคันเล่นไพ่ก็เก่งก็บอกเพ่ข้าสหน่ายเล่นไพ่เบิ้ลขึ้นแม่คอยสูบซ่า ก, กัเก่งพอนั่นทํางานบริษัทเดินเรือ ก, กลับมาถึงบ้านไปเนี่ยแบกเบ็ดลงทะเลตกเป็ด ยังมาเลงมาเสือปลาตลาดกินแกมีแต่การเพิดเพลินในการฆ่าอ้อนวัยเดารีเวียนอิงสเบดมาตลอดเวลาท่านทั้งสองนี่อยู่กับกรรมบาปกรรมชั่วคิดถึงเหลือเกินทำอย่างไรน้อพ่อแม่ผมจะมานับถือศาสนาพุทธเอากระดาษมาให้อารมาเขียนคำสอนอันดีๆผมจะส่งไปให้พ่อให้แม่อารมาบอกว่าเขียนเองสิ ไม่ได้เขียนไปพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเป็นลูกไปสอนไม่เชื่อจะด่าพ่อแม่เกลียดอยู่แล้วว่ามาถือศาสนาพุทธเพราะพ่อแม่ถือศาสนาเอออยากให้อาจารย์ช่วยอันนี้มันเกิดเองมันเกิดเองแม่ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพบความสศกความสงบเช่นนี้จะคิดถึงพ่อถึงแม่มาถ้าเกิดท่านตายไปแล้วตรงนี้แหละมันจะกาบลงในแผ่นดิน พ่อเมีขอยอยู่นี้อยู่ใ้ขีดดินเนี่ขาบลงไปเพิ่นตายแล้วเพิ่นกระบอไปใสบาทหนีชีวิตเฮาได้มาจากพ่อจากเมีพ่อและนม่อยู่ในตัวเราเองมาตาเปติกสัสมภาวโอทนกุมมาสะปัจโย ο, สัมภวธาตุแห่งบิดาและมารดารวมกันเป็นเรา จึงเกิดขึ้นมาอาศัยข้าวสุขที่พ่อแม่เลี้ยงมาจึงเจริญเติบโตท่านตายไปแล้วเหมือนท่านยังมีอยู่ในตัวเราเราจะเอาตัวของเรานี้บูชาพ่อบูชาแม่ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามถ้าเราขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็จะขึ้นสวรรค์ด้วยถ้าเราตกนรกพ่อแม่ก็จะตกกับเราถ้าเราบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจา้าพ่อแม่ก็จะเป็นพระอริยเจ้า ก, กับเรา ต้องมีจะบูชาบุญคุณไม่กล้าที่จะทำสิ่งอื่นใดให้มันชั่วช้าเลวสามเพราะเห็นว่าพ่อมีอยู่กับเรานี่ถ้าท่านตายไปถ้าท่านยังอยู่มันจะอยากไปหาอยากไปบอกอยากไปสอนถ้าคิดว่าสอนท่านไม่ได้มันจะหาหนังสือธรรมะไปให้แม่อ่านพ่ออ่านนะพ่อแม่ไม่อยากอ่านมันจะเอาเทปไปเปิดธรรมะให้พ่อแม่ฟัง มันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากเอาความสุขนี้ไปฝากไปต้อนตอนผู้ห้าหักห้กาวแพงผู้ใดจะห้าวหังเ้าแพงผู้ที่เหตุให่งห้าวพ่อความสุขคนแรกคือพ่อคือแม่อันนี้เนี่ยมันจูงสําคัญมากพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความสุขในธรรมนี่ความสุขในสมาธินี่ไม่ใช่ความสุขที่น่ากลัวเลย เพราะไม่ต้องเื้อเงินเสียทองเป็นความสุขไม่แอบองิงอามิรไม่ต้องซื้อต้องหาลัทธามุกธานุปุติงภูงมนะิชมนาได้มาฟรีๆไม่ต้ซื้ออันนี้ก็เกิดจากอำนาจการเจริญอานาปานะสติทำมากๆพาวีตาพระหงรีกตากระทำบ่อยๆเจริญมากๆขี่ข้างกะเห็ดลูกะเห็ด บอดูก็เหตุให้มันลุ่งให้มันติดคือไปใหญ่ติดหมากติดพู่นีจนมัลุ่งเฉี่ยวจเจือกันหอนแล้วฟึกเอาฮัตเอานี่แล้วตื่นดักงำได้แล้วก็บรรลมสาวสลอดคั้นหมากเล่วขวาข้อเขียะ้อเขียกบาเห็นหงเล่างมหาก่อนสิติล้วก็ฝึกเอาฮัตเอาอันนี้ก็คือกันฝึกเอาที่นี่มาเลยต่อไป สมาธิภาวนาพวีตาพระหีกตายานัศสนะปฏิลาภายะสังวัตติสมาธิภาวนาจเจริญให้มากกระทำให้มากเป็นไปเพื่อเกิดยานัศสนะได้มาซึ่งยานัศสนะยานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็น จะรู้จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาสิ่งที่หูนี่ฟังไม่ได้แต่จะมีสิ่งที่ให้ได้ยินสิ่งที่จะให้ได้เห็นภาษาพระเทวายานัญญาทัส น, นะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยพลังเจิตด้วยอํานาจแห่งจิตไม่ใช่วิสัยที่ประสาทภายนอกตาหูจหมูกลิ้นกายห้าอันจะเข้าไปสัมผัสรู้ได้วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมารู้สิ่งที่จิตประเภทนี้เข้าไปรู้ผู้ภาษาฝรัง่งเรียกว่า e แ t นเ e อร์รี่ o ์ออฟเพอร์เซคืออยู่นอกเหนือประสาทนี้แต่ไม่รับรองนะเพระคุูทีจาวไม่สะันะเิริญนแต่ท่านก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้และมีทางเป็นเพราะสมาธิชนิดนี้มันเสียงมันเสียงต่ออาการติด เพราะมันจะทำให้โด่งดังจะทำให้คนลุ่มหลงแล้วตัวเองก็ลุ่มหลงไปด้วยในอาการโด่งดังในลาภตะกระมันดีโมโมแล้วเว้ยโมโมเป็นเจ้าของเป็นเขาเจ้าเสดลังไหลมาในสมัยพุทธกาลก็เคยมีตัวอย่างพระเทวทัตนั่นแหละมียาทัศนะแต่ก็ยังไม่เป็นพระอริยนะคนละอันไม่ใช่พระอรหันพระอรมุน หมุนไปเท่าไหร่หรือจะได้ไลายเนี่ยพระอรหันต์อันนี้ก็เกิดได้ไมมแต่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าพระเทวทัตท่านสามารถเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาติศัตรูล่องหอนหายตัวเข้าไปยังดังอ ม, องมากๆพระอรหันต์ไม่ได้ติดฝุ่นดอกในเรื่องดังสู้เทวทัตไม่ได้ในชน่วงนั้น แต่เสร็จแล้วเทวทัตนั้นก็ล่มจมพินาศเพราะความเด่นดังลาภสักการเพราะยาณทัศนะอ น, นีเกิดมาก่อนการเห็นแจ้งอริยสัพมีอันตรายอยู่แต่มันไม่มีทางเป็นไปได้พระพุดดะทธเจ้าไม่เซลเซินแต่ท่านก็บอกท่านบอกวา่าถ้าอยากจะทำอย่างนี้ก็อาศัยอำนาจของสมาธิ ปานสตินี่สามารถทําให้เกิดบรรลุเป้าหมายทั้งสี่ประการนี้ได้อยากจะมีความสุขก็กจเจริญอานาปานสตินั่งที่กล่าวมาแล้วอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะก็อาศัยอาณาปานสติอยากอาอยากจเจริญสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ก็อาศัยการจเจริญอานาปานสติอยากจะเป็นผู้ทาําอาสวะให้สิ้นไป ก็อาศัยอาณาปานาสติใช้ได้หมดทั้งสีอันทีนี้มาลองดูว่าทำอย่างไรจะเกิดความเป็นผู้มี ญ, ญาทัศนะนี่ท่านบอว่าภิกษุนั้นเจริญสมาธิภาวนาเอาอย่างขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เมื่อจิตได้พบความสงบเมื่อจิตได้ลำงับลงไปได้พบความเย็นความเบาแล้วก็มหัด ตั้งจิตไว้ในกายภาษาบาลีว่าจิตตมปิกายะสมาทหติตั้งจิตไว้ในกายอโลกสัญญาที่วากะสัญญามณสิกาโรมณสิการก็ทําไว้ในใจซึ่งอโลกสัญญาที่วากะสัญญาโพระภาษาบาลีพอดฟังยากเฮ็ดให้มันแก่งทาอย่างไร หลับตาอยู่นี่ทําให้มันแกล้งคืขอของเว้นนี่เรียกว่าอลโลกสัญญามีอยู่ในพลังคนเหตุป้ายเห็ุเลยมันสะแจง้งเห็นหนูคือตะเวนสช้พุ่มสึกขึ้นเคยอยู่พลังคนนั่งสมาธิไปนานๆเข้าแดดแอมนซั่งนึ่งมาคืนหนูคือแดดอมนซึ่งฝนตกเศร้าใหม่ๆนี่นั่นแหะมันจะไปทาง น, นั้นแหละแต่ไม่รู้จักทำแล้วมันก็หายไปถ้ารู้จักทางรู้จักอาการทํามันไม่ยากนักนะ แต่ตัวนี้ต้องอาศัย